ทาชมกันมันเบมอนีก็เป็นการการสแสดงค่รเสียงภะษาอีสานท้องถิ่ น, นคนที่ไม่ใช่อยู่ในท้องถิ่นฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ถามคนข้างๆที่เป็นอีสานคนไทยมีอยู่ที่ตอบเข้ามาเมื่อคืนว่า ฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเป็นบางคำนก็ถามคนอีสาเนเด้อถ้ามีมีเพื่อนเป็นคนอีสานก็ถามคำไหนที่ไม่เข้าใจแต่ถ้าไม่มีเพื่อนเป็นคนอีสานก็เอาฟังเท่าที่เข้าใจแต่ยังไงก็จะต้องใช้ภาษาท้องถิน่นเพราะผู้ฟังที่นี่เป็นคนพื้นเมือง เรื่องราวของการปฏิบัติหรือว่าเรื่องราวของศาสนาเป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยการประพฤติปฏิบัติตนหรือว่าพัฒนาจิตใจของมนุษย์เราให้ก้าวพ้นจากความทุกข์แต่การที่จะก้าวพ้นจากความทุกข์ได้ก็ต้องศึกษาเรียนรู้คําสอนที่มีการถ่ายออกไปอย่างนี้ถ่ายเพจออกไปอย่างนี้ก็ เพื่อให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ที่ติดตามชมกันก็ติดตามไปเรื่อย การาวหน้าคือการฝ <c oughs> ึกฝนจิตใจ <c oughs> การฝึกฝนจิตใจจะเป็นเครื่องพัฒนาจิตใจของปวกเ้า <c oughs> ให้ออกจากความบรู <c oughs> เนื่องจากว่าจิตใจของมนุษย์ทุกคนมีความบลูติดตัวมาตั้งแต่มือเกิด <c oughs> หรือตะกอนมาเกิดขุ่นมันจะติดมาก การภาวนาจึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับมนุษย์ที่มีความบัลลูปิดมากับจิตกับใจภาวว่ามนุษย์กระทำสิ่งใดๆก็ตามโดยความบัลลูความบัลลูที่มนุษย์เด็กระทําลุกไปทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจย่อมเป็นไปเพื่อความหลงและความงมงายเขาก็ต้องมายอมรับพื้นฐานทางคิตใจของเขาวา จิตใจความเขามีความบัลลูมากแต่ดั่งแต่เดิมก็เพราะว่าจิตใจมีความบัลลูมาแต่ดั่งแต่เดิมสิ่งที่เข้ากระทําเกือบจะทั้งเบิดลในชีวิตเป็นการกระทําไปในทิศท่ทานที่พิษข้าจึงจะต้องอาศัยศาสนาซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นภูตัสสรูความจริงพ้นออกจากความบัลลูนําความบัลูมาสอนเขาพุทธ จึงได้ชื่อว่าศาสนาของผู้รูโมเมนต์ภูหลงเมื่อความเป็นพุทธะเป็นศาสนาของภูรูพุทธสาวกจะต้องเป็นผู้รูตามพุทธะหากพุทธสาวกบรูตามพุทธะพุทธส า, า, าวกก็สามารถที่จะเป็นพุทธสาวกได้คํ้ามาสาวกหมายถึงว่าผู้ฟั่งตามผู้ประพฤติตามผู้กระถ่ำตามเนี่ยสาวก สาวกสาวกผู้ใครฟังผู้พยายามศึกษาเรียนรู้ในทําคําสอนการเรียนรู้ทาคําสอนจึงเป็นประเด็นสําคัญที่จะเห็นให้เข้าประพฤติตนในศาสนาโดยความถูกต้องหากเขาบริเรียนรู้คาสอนเขาก็บวสามารถประพฤติตนในหลักทางศาสนาให้ถูกต้องใดแต่เนื่องด้วยว่าพุทธาสาวกในเวลานี้ขาดการศึกษาเราเรียนคําสอนของพุทธเจ้า ยังท่องแท้ในจํานวนของบุคคลเขามาศึกษาโดยส่วนมากศึกษาเป็นเพียงแค่แบบวิธีฐาในใชิงของปริยัติธรรมพวกสิบวทเลี้ยนหรือว่ากลุ่มที่เขามาเลี้ยนท่ามศึกษาเพราะว่าสิเป็นระดับนักธรรมตีโตเอกหรือว่าระดับของมหาปรเลี้ยนทั้งคาราวาัตทั้งพระภิกษุเองก็ตามส่วนมากเลี้ยนกันในรูปแบบ หมายถึงว่าเลียนเอาเอาพานเอาบรการศึกษาให้สําเร็จการศึกษาในแต่ละชั้นการเรียนรู้ในักษณะแบบนั้นนะ่ะบริสุทืิ์ว่าเป็นการเรียนรู้ผู้ทีเจ้าบอกว่าถึงแม้สิส้งจําคําสอนใดก็เป็นการส้มจําในลักษณะที่เรียกว่าใบล้านเปล่าถือแต่ใบล้านถือแต่คําพี่เป็นใบล้านเปล่าที่ว่านาประโยชน์มาให้หมมีเนื้อหาสาระ หมายถึงว่าจดจำในแต่ห้าสอนแต่บ่นําคําสอนไปสู่การปฏิบัติเนี่ยก็เป็นโทษอันนึงที่พวงบอกว่าเปล่าประโยชน์ได้ชื่อว่าเป็นโมคะบุรุษหรือว่าเป็นบุคคลที่เปล่าเป็นคนมาเรียนถ้ำเปล่ปาเรียนศึกษาท่านเปล่านับถือศาสนาซื่อๆไม่ได้ประโยชน์ยัง้งเพื่อว่าเป็นสอนไว้การที่วงสงสอนรักถ้มเพื่อให้เขาได้นําไปสู่การปฏิบัติเพื่อบ่อยเอ่อ ให้เขานำไปสู่การปฏิบัติก็เพื่อที่จะให้เขาเนี่ว่ได้มาเป็นมนุษย์แครเปล่าๆบ่ได้มาเป็นคนเปล่าๆใช่ไหมอย่าให้มีความว่างเปล่าในชีวิตจิตใจของเข้าให้มีสาระแก่นสารในชีวิตเพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยสุดท้ายแล้วถาว้ามีถ้ำมาหรือว่ามีสาระแก่นสารทางศาสนาภายในจิตใจตัวเองเลยชีวิตของเขากับเป็นแค่ชีวิตที่เปล่าประโยชน์หาความประโยชน์บ่ได้เพราะว่าชีวิตเกิดขึ้นมา ดับลง ย, ย่ถึงความแตกสลายสิ้นไปแน่นอนสิ่งหนึ่งที่เหตุให้มนุษย์ ว, วนเวียนในการเวียนว่ายตายเกิดมีได้ว่าตาสงสารหาทีสิ้นสุดว่าใดเนื่องมาจากมนุษย์มีความหลงอาการที่หลงก็เพราะว่าบรู้บรู้ยังบรู้ว่าชีวิตที่แท้จริงมันมีความถูกเข้าใจว่า จะของสิ่งสแสวงหาความสุขในโลกมนุษย์นี้ได้จึงติดอยู่กับการแสวงหาความสุขในโลกเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายกับดือดความคิดว่าเกิดขึ้นมากขาจะต้องพบความสุขบางสิ่งบางอย่างในโลกอันนี้ขนควายดินดล้นทยทย่นพยาย า, ยามตะ ก, กีก้ตะกายสาแสวงหาสิ่งต่างๆมากประกอบเขากับชีวิตเจ้าของเพื่อให้ชีวิตดำลงอยู่เดือดความสุขแต่ปรากฏว่ามนุษย์กับบริโภบความสุขที่แท้จริง สิแสวงหาเป็นฮอตมือตายกบฏพบความสุขตายแล้วเกิดอีกแสวงหาความสุขอีกก็บุริภพความสุขเกิดไม่ตายไม่แสวงหาไม่กบฏพบความสุขรพราบความสุขในโลกนี่บ่มีแต่มนุษย์คิดว่าตนเองจะแสวงหาความสุขในโลกมนุษย์นี้เพื่อให้ตัวเองมีความสุขคิดว่านะเป็นการคิดว่าแล้วก็เฮ็ดตามกัมมาคิดว่าคือเข้าใจว่ามันสิมีความสุขในชีวิต เขาใจแบบนั่นเมื่อเขาเขาใจพิษแน่นอนว่าเขาก็ต้องใส่ชีวิตพิษเมื่อเขาใส่ชีวิตพิษการดำรงชีวิตของเป็นอยู่เท่ากับพิษผู้ที่จะเพุ่นบริสุทธิ์ในพวกเขาสแสวงหาความสุขแต่บริสุทธิ์ในหัวว่าความทุกข์เกิดขึ้นมันสิดับไปโดวยวิธีการใดเนีย่ยสาระสําคัญว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเขาสิดับมันไดจังใดมันอยู่บางนีได้อยังไงเม่แม่มาเจาะตองไปหาความสุขกอบป่วยเขามาสู้ชีวิตเจ้าของ ภูฏเจ้าพูด บ, บอกว่าการสแสวงหาความสุขมาใส่ชีวิตประดุษดังตักน้าใส่ถังหัวมันไม่มีทางเต็มตักใส่ปันไดกระทำเหมือนกับหัวออกปัญหาเต็มว่าไรมีแต่ความบกพร่องอยู่ตลอดเมื่อมีความบกพร่องอยู่ตลอดเขาก็เลยจะต้องตกเป็นทาสเพื่อการดินล้นสแสวงห า, าหาอยู่บบหยุดยุดว่าไรหยุดก็เหมือนกับว่าชีวิตนี้มันขาดบางสิ่งบางอย่างไปเนี่ย ผู้เจ้าพยายามสิก่อตั้งศาสนาขึ้นมาเพื่อสี่ท่างผลท่างเนี่ยบเข้าเด็กเขา้เขาใจว่าบ่วต้องไปสแสวงหาสุกดอกในโลกอ น, นี้แต่ว่าทุกอันใดเกิดขึ้นให้เลี้ยนลูกทุกอันที่เกิดขึ้นภายในชีวิตเจ้าของและกระจับประเด็นของความทุกข์ที่เกิดขึ้นสาวเข้าไปหายเหตุแล้วก็โดยส่วนมากผู้เจ้าสอนเหตุเนี่ยว่าเหตุที่แท้จริงของทุกเนี่ยอยู่ในตัของเขาเองอยู่ในจิต ใ, ใจของเขาเองเมื่อเหตุมันอยู่ในจิต ใ, ใจของเขาเองการนี้เขาจะไปดับทุก โดยการดับเหตุจะต้องไปดับอยู่ที่ใจเห่าไปดับอยู่มองอื่นบ่ได้ระดับอยู่คนอื่นบ่ได้ไปดับกับสิ่งอื่นบ่ได้ไพ่นอกจากตัวเองเ่ยบ่ได้ต้องเขามาดับภพ่ในใจของเห่าแล้วเขาสิเขามาดับไพ่ในใจของเห่าได้ยังไงก็ต้องมาทําความเขาใจตัวใจซึ่งเป็นตัวรับสภาพต่างๆไหลล่องสู่ใจแล้วก็เป็นความทุกข์ปอเป็นความทุกข์ขืนมากเริ่มแรกเขายังมุ่งจะเข้ามาทุกข์ หลัาเกิดทุกเป็นแบบนั้นเขาพัลู่เขาพัลลููแต่ว่าสิ่งนี้เขาพ่อใจสิ่งนี้เขาบ่พ่อใจสิ่งนี้เขาอยากได้สิ่งนั้นเขาบ่อยากได้สิ่งนี้เขาต้องการสิ่งนั้นเขาบ่ต้องการสิ่งนี้นายินดีสิ่งนั้นบ่นายยินดีเขาพลู่เพียงแค่นี้แต่ทุกเป็นแบบนัเขาพัลู่เมื่อเขาเติบโตมากเขาใส่ชีวิตดำลงอยู่เขาเริ่มเห็นความทุกข์ขื่นที่ล้หน่อยที่แล้วหน่อยความทุกข์สิเาค่อยชัดเจนเด่นขึ้นมาเรื่อยๆตามการเวลาตามการเจะเริ่เตัวๆของชีวิตเมื่อเขา ดิมลงชีวิตอยู่ในระยะเวลาที่นานขึ้นเพราะิถือความทุกข์กระทบกระทั่งบีบขั้นเพศให้ได้รับสิ่งบางสิ่งบางอย่างผสมความปรารถนาโดยที่เขาเข้าใจที่แรกว่าชีวิตจะมีความสุขจึงต้องแสวงหาสุขเข้าเข้าใจว่าแบบนั้นผู้เจ้าจึงบอกให้พวกเขาได้มีสติเปลี่ยนความเข้าใจใหม่แต่เข้าเข้าใจว่าชีวิตมีความสุขนั้นเขากลับสิมมองแต่ความสุขเป็นเ ป, นป้าหมายของชีวิต ผู้่าเพิ่มบอกว่าชีวิตที่แท้จริงคือความทุกข์เขาก็ต้องเปลี่ยนเป้าหมายใหม่เปลี่ยนความตั้งใจใหม่เปลี่ยนความปรารถนาใหม่มาฝึกฝนเลียนรู้ทำความเข้าใจเรื่องความทุกข์ที่มีอยู่ในชีวิตความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ส่งเฉี่ยว่าเข้ากับไมาเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของเขาโพง ก, ก, กันเลยบอกว่า ความทุกข์มันเป็นสิ่งเกิดขึ้นมาพร้อมกันกับชีวิตของเฮาเป็นสิ่งผิดติดอยู่ในขณะที่เฮามีชีวิตอยู่เวลาตายมันก็ตายไปพร้อมกับชีวิตของเฮามีการเกิดขึ้นมาอีกความทุกข์เกิดสิเกิดขึ้นอีกการที่พ่อครูส่งสอนแบบนี้เพื่อสอนให้เฮาได้เกิดการตระหนักรู้มีสติรับรู้รับท ร, รบาบเข่าใจวิถีความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตของเฮาสิ น, นี้ออกจากความทุกข์ไปบันไดเลย แต่หากผู้ใดมหูจักท่าของการภาวนาหูจักรักของการภาวนาผู้นันสิสามารถกระทําซึ่งที่สุดแห่งทุกได้หมายถึงว่าเป็นผู้สัลัดความทุกออกจากกิดใจใดการภาวนาคือการเดินตามเส้นทางให้ทา้งศาสนาที่นั่มาซึ่งมักผลนิพพานมักผลนิพพานนี่แหละเป็นซื่อที่ถือกล่าวสอนไว้แล้วก็เป็นเป้าหมายของศาสนา สิบห้าเขาเคยปรารถนากันว่านิพพานะปัจยโยโหตุขอให้พระพุทเจ้าเข้าถึงมรรคผลนิพพานเป็นเหตุเป็นปัจจัยเข้าถึงนิพพานนี่คือความปรารถนาบอว่าเขาสิ่งทำบุญให้ท่านแน่นอนว่าวุ้ยไผ่ปรารถนาความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับชีวิตปรารถนาความสุขแต่ความสุขบมันบม่ได้เกิดมาตามความปรารถนามันบม่ได้เกิดมาเพราะเขาอยากได้แล้วเขาสิมาแสวงหาความทุกข์ แสวแงหาความสุขในชีวิตที่มันมีความทุกข์อยู่เนี่ยมันสิแสวงหาบ่ดยเลยเมื่อมันมีความทุกข์อยู่คุณเจ้าก็เลยสอนเนี่ยเพราะเขายอมรับความทุกข์ตามที่มันเกิดขึ้นพอเขาบริสามารถปฏิเสธไหนเมืองเมาเมันไหลต้องเปิดทางอื่นให้มันไปทางอื่นนําแม่ไฟ้ใหมันไปตออทางอื่นน้ำเน่าร สี บ, บินเขาเหงคนเปิดทั้งอื่นไปปิดตรงนี้จะเข้าปิ ด, ป, ดปิดมองเสาหนี่จะเข้ า, น, า, านึ่นั่น่ะเสานันเปิดรอบนอกให้เปิดให้เอกไปข้างนอกอเปิดเออเปิดไฟนอกปิดไฟเ อ, เอทางในหลอดในให้ปิดตัวเทิงตัวเทิงตัวเทิ ง, ทงคุณหม้อเออ นั่นคนั่นเปิดไว้ตือนี่ปิดไว้ก่อนถ่ายถอดเอกไฟบรรยากาศบัดปลานั่นเองสิละเห็นบ่เหรอเบอร์เห็นสั่เอรแดบ่อาเปิดก็ได้อีกวันนี่ เอาสูเทียคือเห็ดอะไรอ่ก็เห็ดเต้ยเขีเอตัวนี้ได้ยุ่นี่เอร์ตัวนี้ได้ยุ่นนี่มันกับบางไปแนยุ่นกบได้มาหลตอนไป็นตอมขุ่นมันคือไลา์แต่ว่ามนนี่มันมาพังเถิดมันยังโอ้เดี๋ยว่าคือข้นอยนวกลงวัดตาเนี่เป็นนรื่องเมาวิ่งเข่ากองไว เห็นอยู่ไป น, นั่งของนะฟังเสียงเอาเดอฟังเสียงเอานะคนที่ติดตามเพจอยู่เขาพระเจ้าสอนนะครับห้อยย่อมรับความทุกข์ถี่เป็นจิงก้อนในชีวิตการที่ห้อยย่อมรับความทุกข์ได้ในระดับนึงนั่นแหละความทุกข์มันกระสีลดลงไปเคืองหนึ่งแล้วยังหน่อยห้องบริเตเพิ่มทุกข์ให้ตัวของ ในสิ่งที่มันเป็นความถูกอยู่การภาวนาเป็นเรื่องของสติปัญญาแล้วมันมีน เ, นเรื่องของถี่เฮาเจ็บออยากเฮ็ดคือจังเฮ็ดบุญอย่างนี้งันงบ๊แมนอยากเฮ็ดบุญนั่นเฮ็ดบุญนี่แหละเฮ็ดหนิมาบ๊แมนการภาวนาบ๊วแ ม, น, มนเรื่องแบบนั้นเป็นเรื่องของสติปัญญาเป็นเรื่องของการสางความเห็นเป็นเรื่องของการสางความรู้ความเข้าใจในหลักของชีวิตตลอดระยะเวลารถุริเจ้า สร้างสอนถ้ำในคำพูดการเพื่อนก็สร้างสอนเพื่อให้คนได้รู้จักความจริงของชีวิตเนื่องจากว่าพวกเขาก็เคยรู้จักความจริงของชีวิตมาก่อนเลยพวกเขาก็เลยหลงยึดถือชีวิตที่เป็นอยู่ของตัวพวกเขเองหลงตัวตนของตัวเองนี่แหละคือโทษของความบลูที่มันติดอยู่กับพงศิษย์หัวใจเมื่อเขามีความบลูมาแต่ตอนเดิมแล้ว พุทธศาสนาจึงเป็นาศาสนาความรู้จึงเป็นศาสนาที่มีความจําเป็นตอ ด, ดวงจิตดวงใจทุกดวงที่มีความบัลลูภายในใจิตใจคนที่มีความบัลูเว่รแมนเฉพาะมิตรคนชาวพุทธเนี่คนชาติอื่นาศาสน า, าอื่นเขาก็มีความบัลลูในใจิตหัวใจคือกันเขาก็สแสวงห า, าศาสนามาเป็นเครื่องตอบอตอบสิ่งที่เขาต้องการมาเป็นคำตอบในจิตว่าความจริงของชีวิตคืออย่าง สาระสำคัญของชีวิตคืออย่างการแสวงหาสัจธรรมแสวงหาอยุไสยเขาก็แสวงหากันในศาสนาอื่นแต่เนื่องจากศาสนาอื่นบริเวนศาสนาของพุทธมองไงบริเวณศาสนาของความรู้เมืเ่อบริเวศาสนาของความรู้รักคําสอนจึงบริสามารถพอไปดับความรู้หรือแก่ความความบัลลูบรสามารถจะไปดับอวิชชาความบรลลูนีกินนใจได้เมื่อดับประเดีแล้วสิ่งที่เขานับถือสิ่งที่เขาปฏิบัติ กระชักนั่นเข้าไปในทางความงมงงง่ายพะมันมีความบัลลูเครืคอบแฝงอยู่ความบัลลูเนี่ยคูยจะว่าเป็นรากเงาของความทุกข์ทั้งปวงซึ่งเขาจะต้องเข้าใจรากเงาคือความบัลลูมันอยู่ในใจของเขาการที่จะแก้ไขความทุกข์ได้เขาต้องไปแก้ไขหมองรากเหงารากเงาคือความบัลลูเขาต้องไปแก้ไขจิตทีนเกิดความรู้ความบัลลูในชีวิตเขากระตองมาเรียนรู้ในชีวิตถีอเป็นจริง ความเป็นจริงของชีวิตที่เขาจะต้อง เ, อเรียนรู้ภูติย่าเลยว่าเบื้องกายเบื้องใจซึ่งเป็นตัวชีวิตของเขาแล้วก็เป็นตัวสี่แสดงออกถึงความทุกข์ตลอดระยะเวลาที่เขาเป็นมีชีวิตอยู่นี่ยทุกข์มันเกิดขึ้นด้วยกับกายกับใจเมื่อใดเกิดอยู่หมองอื่นกายกับใจของเขาเนี่แหะเป็นตัวสแสดงออกของธรรมชาติต่างๆซึ่งมันเสียเขากระทําตอบต่อสิ่งที่เขามาสัมผัส การเี่ยวห้องกระทาตอบต่อสิ่งที่เขามาสัมผัสโดยความบอลลูมันก็เลยคอเกิดเป็นตัวความทุกข์ผู้ใหญ่เอาเลยสอนเหี่ยได้ลูกลูกยังลูกไก่ที่เป็นยูแล้วก็ลูกจิตที่รับสัมผัสอยู่รับอารมณ์กระทบไก่ที่เป็นยูนเป็นแบบใดคื อ, อย่างนั้นเป็นยูตอนนี้เป็นอย่างไดไก่เวลาเนี่นยต้ยองการนางยูโดยธาตุแทะของไกยมันขึอ้นอยังผู้ใหญ่เพิเ่มสอนเห้่ยวลู่ลึกลงไปธาตุแทะของไก่ขึ้นยัออยง ถ้าเขาบริเลียนหลุเขาก็สิบคสามารถถอนความหลงผิดในการยึดมั่นพึ่งมั่นในความเป็นตัวเป็นตนในร่างกายใด้ว่าเป็นตัวเฮาเป็นตัวของเฮาเมื่อเขาถอนไปได้เขาก็จะยึดไายทั้งตัวเนี่ยทั้งอันนี่ยผว่าจดเท่าว่าเป็นตัวของเจ้าของมันสิเป็นตัวเฮาได้ยังไดงตายแล้วก็ไปเผาถิ่มเ่อเม่อเหมืนก็เหลือแต่เป็นกระดูกเป็นขีดเท่าเป็นทานด้วยวัตถ์เรอไหนหรอตัวของเฮาอยู่ใส่นี่คือการพิจารณาที่เขาจะต้องทําความขอใจเป็นการเข้าใจชีวิตใน ในด้านลู่ปะท่มที่เขาสามารถมองเห็นสัมผัสรับลู่ได้เพื่อลู่ปะท่ำน้ำปะร่มองไปเห็นแต่ลู่ปะทรำมองเห็นผู้เรียนผู้เรียนเาเลยสอนให้เป็นความลู่แก่จิตแก่ใจของพวกเขาไว้ว่าธาตุแท้ของกายคือดินคือน้าคือไฟคือลมดินคือสภาพที่แข็งแข็งน้ำคือสภาพที่เลี้ยวได้เอิบอาบไฟคือสภาพที่ร้อนเดือดอบอุ่นลมคือสภาพที่พัดไปมากในหลางกายเขาเรเพิ่งกระจกแจงกที่ายไว้แล้ว ส่วนของดินที่แข็งแข็งมีอย่างแน่ผมกดเล็บฟังเนื้อเพื่นแจกแจงไปปัป๊บข้าวโพดไปคนหายเนี่ยผู้ไดเจ้าสอนไปแฮะพวกข้าเรียนรู้ไว้แล้วเมือเเ่อข้าวเรียนรูดทางด้านความทรงจําในองค์ประกอบของกายว่าเป็นธาตุดินดินนําไฟล่มแลังข้าวซีเห็นความจริงของกายโดยความเป็นธาตุแทนนั้นใดจังไดเขารู้แล้วแต่เขายังบ่ท่านได้เห็นมันก็ยังบ่เป็นการรู้จักชีวิตในด้านของหลูกกระท่ำรู้แล้วต้องเห็นพร้อมเพื่อนไรใส่เข้ามายานาัศนะทั้งรู้ ทั la la la ces, no? part, ้งเห็นเข้ามาญาณนทัศนะนี่ทัศนะแปลว่าการเห็นญาณนี่แปลว่ารู้ตามพ่อเป็นจริงรู้ตามพ่อเป็นจริงแล้วเห็นตามพ่อเป็นจริงเมื่อรู้ว่ากายประกอบมาจากดินน้ำไฟลมเห็นบ่บาเนี่เห็นมันเป็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมบ่บ่เห็นแล้วก็ยังเห็นเป็นเหนือเป็นนังเป็นตัวเป็นตันห้าอยู่เพื่อกอนแต่ยังได้ยังสิเห็นพิจารณานี่ยเราพระพุทธเจ้าพระพุสอนวิธีการพิจารณาการพิจารณาเป็นการใส่ความคิดในการไต่ตองใครควรแยกแยะ ในส่วนของไก่ว่าส่วนที่เป็นดินมันเป็นดินได้ยังไงผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื <c oughs> ่อในกระดูกม <c oughs> ้ามหัวใจตั บ, <c oughs> ตบท้งผื่ไตปอดใส่ไส่น้อยอาหารใหม่อาหารเกา่ามันเป็นดินได้ยังไงส่วนที่เป็นน้ามันเป็นน้ำได้ยังไงดีสเลตน้องเลือดมันเงือมันผนน้ำตาเปลวมันน้าลายน้ํามูกน้าไข้คอหนามปลาสาวะส่วนที่เป็นไฟคือร้อนและอบอุ่นสภาพที่ร้อนและอบอุ่นเดี๋ยวว่าไฟยำห่อนก็บหอออ่อนยำอุ่นก็อุ้นหาดไฟ ไฟที่ทําการให้อบอุ่นไฟที่ทําการให้สุโลมไฟที่ทําการให้กระบวนกรวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยผ่าไฟส่วนที่พัดไปมาในร่างกายเข่าหรือว่าลมลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ําลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจพี่หน้าเบิ้งติดอ่ะที่มันอยู่ในไก่ในใจของเข่าในไกยของเขานี่มันพัดไปพัดบ้ามันร่มอะไดแน่ร่มหายใจก็แม่นล่มพัดขึ้นเบื้องบนมันเป็นยังไงพีหน้าเห็นเห็นอาการโอ้มันผ่ดล่ม อาการที่แข็งแข็งอ้วนมีถัดดินอาการที่เล้วเออบอาบเห็ดงินมี ม, มือเงยเงยอออกเงือไหลโอยนะเงือมัน อ, า, า, คค อ, อ, บอ า, าบไปทั่วหลางกายเคุนตัวเออบอาบซึมซาบไปทั่วหลางกายถาดน้ามร้อนอบอุ่นเห็นไหในหลางกายเห้อะไรวะ น, นั่นเป็นถัดไฟเป็นการแสดงออกของถัดทั้ง4ีปะกันในขึ้นด้านรูปประทับในความจริงของชีวิตเมื่อเขารู่ว่าโอประกอบมาจากธาตุดินนำไฟร่มให้เขาไปเห็นความจริง ที่มันเป็นการเห็นความจริงที่มันเป็นในแต่ละขณะนี่นแหละเสียดในใจของเฮาถือทํทลาล่ความโบลูออกจากคิจิตใจแต่ก่อนเฮาโบลูบาทำมาพิจารณาหลายเห็นเฮาก็เริ่มลู่ขึ้นมาลู่อย่างลู่ตามความเป็นจริงตามคําสั่งสอนทีู่ในองค์ทรงสังสอนไว้พราความจริงมันเป็นแบบนั้นเมื่อความจริงมันเป็นแบบนั้นเมือม่อเฮาลู่ละเห็นตามความเป็นจริงได้มันก็ไปทําล่ความโบลูออกจากใจทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยลู่อีกก็ทําลายความโบลูได้อีกทีละหน่อยทีละหน่อย การที่เขาตัดรากเงาของความทุกข์ทีละหน่อยทีละหน่อยมันจะต้องถึงมือใดมือนึงต่อขาดเมื่อรากเงาของความทุกข์ได้ขาดออกไปเขาสี่เห็นความดับไปความทุกข์ขาดออกจากใจขึ้นกันรากบ่มีแล้วโตวทุกข์ก็ต้องดับไปขื้นกันผู้จเจเาเลสอ น, นี้เขาฝึกฝนเลียนลูกพิจารณาไายพี่าน า, า, นาแล้วพี่นาอีกแน่นอนว่าเขาพอสามหวังพี่นาได้แค่ขังสองขังแล้วมันสิรูดได้เลยมันเป็นไปว่าได้อัตมากับพี่นาจนนับป่อถวนเมื่อไหร บ่งเป็นมาอยบางเป็น่าแสนบางมาหมื่นบางเนีาพันเป็นล้านเื่อผด้พี่หน้าพี่หน้าแล they they said, <wir S 1> ้วพ oh, ี่นาพี hmm. <th> <th> ่นาย่ำๆซ้ำๆย่างนั้ะบ่ได้คิดตังแต่ละมือแต่ละวันคิดตารางกายเป็นดินนาไฟลมมันเป็นยังไงดินเป็นไนามเป็นยังไงไฟลมมันเป็นยังไงคิดพ่ออกรอกที่แหลกอะไรแต่ก็คิดผู้รเจ้าบอกว่าเป็นดินเป็นหนามเป็นไฟเป็นรมเป็นอย่างเทาคือบ่เห็นแค่เพื่อเป็นยังคือมืดคือบอดหาใจนี่้านคือบ่เห็นตามควาสังสอนที่เพื่อนสอนไเพื่อนสอนความจริงไปเขาบ่เคยเห็นความจริงความ ยังคือบูหูบูเห็นมันคิดให้มันเห็นพิจารณาให้มันเห็นโจนอาการของการการคิดน่ยมันคิดเด็ติดต่อเนื่องกันสภาพของความเป็นดินน้าไฟลมเป็นแบบใดแข็งแข็งยังไงเหลวเอบอปอ่เป็นยังไงผัดไปมากร้อนอบอุ่นเป็นยังไงทําความขยาใจมันทีละหน่อยทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องมันเป็นการทำความขยาใจชีวิตคนเจ้าของเป็นขั้นการขยาใจตัวเองคนเห่าเนี่ยเหาอยู่กับตัวเหาแต่เห่าบพรขยาใจเห่านั่นสิเกิดยังขึ้น ก็เกิดความขัดแย้งในตัวเองตัวเองก็ยังขัดแย้งตัวเองผู้อื่นในแห่งความมีความขัดแย้งไรเนี่แหละคือสิ่งที่เขาขาดการเรียนลู่เมื่อเขาเรียนรู้ตัวเองแล้วก็ว่าขัดแย้งกับมันมันสิเกิดความทุกข์ท่างกายแบบใดขึ้นก็ว่าขัดแย้งความจริงที่มันเป็นสิปวดหัวว่ะปวดหัวกับปวดไปติดอ่ะเป็นธรรมชาติที่มันต้องเป็นเพราะกลายเป็นที่ตั้งของความทุกข์ถ้าบอบีไกลยมันกับ่อบี้ทุกเกิดขึ้นบอบีหัวกับบอบปวดหัวบอมีแขนกับบปวดแขนบอบี้ขากับบอบ่มีเบจ็ก็บวขา โบมี่กระดูกกระเดี่ยวกับ่บเจฟกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยโบมีกับมันก็บโทุกเพราะสิ่งที่มันโบมีเมื่อมันมีมันก็ต้องทุกเมื่อมันทุกตามตามสิ่งที่มันมี่เท่าสิบปฏิเสธมันได้อยู่บ้างปฏิเสบอได้แต่บอได้หามการรักษามันปวดหัวมากอ่ะยอมรับตามความเป็นจริงกอนอย่าุหาจิตเท่าหลงไปยึดถืออาการแห่งความปวดในความรู้สึกว่าเจ้าของเป็นแต่เขาใจว่ามันเกิดขึ้นตามภาวะที่มันมี เนี่ยคือการใส่สติปัญญาเรื่องของการภาวนาเป็นเรื่องของการใ ส, ใส่ใส่ปัญญาที่น่าไขคขั้วมันทำความขอใจนี่ในส่วนของกายที่เขาจะต้องทำความขอใจมันเมื่อเขาได้เขาใจกายขาใจชีวิตขอ ง, ขอ ง, อของเขาของเที่ยวอาศัยอยู่จําไว้ได้ว่าเขาอาศัยอยู่เลยเขาบดีเป็นอยู่ในอันเดียวกันไปตลอดเขาบอมีว่าสามารถเป็นอมาตะนิรันดร์าการในโลกมนุษย์นี้เมื่อเขาว่าสามารถเป็นอมาตะนิรันดร์าการในโลกมนุษย์นี้เขาจะต้อง ทีมร่างกายเดียวอาศัยอยู่มือใดมือหนึ่งต้องถิมมันเฮาบอถิมมันมันก็ถิมเฮ้าบอกอยากให้มันถิมมันก็ต้องถิมมันต้องขาดจากกันมือใดมือหนึ่งผู้จเจ้าเลสอนให้เขาพิจารณากรถีมมันจะขาดจากกาันเพื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยว่างมันกอนถ้ามันปล่อยว่างเฮ้านี่เฮาสิบ่ะไรประโยชน์ยังจาด ก, กายเลยถ้าเฮ้าปล่อยมันกรเนี่ยเฮ้าสิบด็ประโยชน์เพราะยังเพราะจิตเฮ้าจะมีเครื่องร่องลับคือความรู้ความรู้กายตามความเป็นจริงมันสิมีภาวะของความรู้มันสิร่องรับจิตหมายถึงว่าเขามัน เขายังควสามารถลากขี้เล็ดได้ไปเกิ ด, ดยุนิชาตไ ด, ได้ก็ตามความรู้รที่ทรงผลในเขาไปสู่สุขติอย่างเดียวและก็รเหตุในเขาบวชหลงอาการท้องกย่ย่างเช่นมีภิกษุองค์หนึ่งที่หน้าไายอยู่ที่หน้าไก่เนี่ยเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมพี่หน้าว่ามันบวเวียงเป็นทุกเป็นควรบวชยึดบันถือมันเพิ่นก็บบริเกิดความรู้อย่างเดแต่เพิ่นกับพี่าตามลักข้าสอนตายมาแบบล่งเพิ่บไปปางคนอยู่บนเทวโลกมี่ร่างกายมายุนิเทวโลกเป็นเทวดาหุล โอ้นี่ก็ร่างกายวะ่านจะว่าเราเป็นร่างกายของเทวดากายบ่วาคุนชื่อว่ากายเป็นที่ประชุมโลงความทุกข์วะ่านเป็นทีหน้าต่อเลยถึงเทวดากะเพิกถอนความยึดมันถือมันในร่างกายของความเป็นเทวดาเทวดาก็ยังมีทุกข์ว่ยังนี่มียังสิบมี่คุณชื่อว่ากายแล้วมันต้องเป็นทีประชุมโลงความทุกข์ต้องเป็นที่ตั้งของความทุกข์เนี่ยเพราะการละการยึดมันถือมั่นในกายไปเกิดพดนแล้วเป็นพมโโลมี่กายเป็นพมอีกอะพมก็มีความทุกข์เป็นทีนาต่อไปอีก สุดท้ายกัละกิเลสอาสวะในเขาสู่พันิพานบุญมีกายอีกแล้วม่ยยึดถือไกด์ใดๆอีกนิทีทั้งปวงเมื่อบุมีกายอยู่แล้วบวุมีรล่างไกด์นทีใดๆแล้วเมื่อเขาพันิพาณระดับสนิทไม่มีการจุติรื้อเกิดอีกในที่ไหนเห็นบั้อานิสง์ไปพันิพาณตามความปรารถนาของเฮาที่เฮาทำบุญให้ท่านกับหวังให้มันมีอนุภาพอานิสง์หนุนสงใจของเฮาให้มีกําลังไปถึงพันิพาณ แต่ถึงหรือว่ถึงอยู่การเดินเดินโดยการพิธีพิจรารณาไตตองไขควรในหลักธรรมที่บงสรงสอนไว้เพราะฉะนั้นแล้วการภาวนาจริงซือว่าเป็นหลักใ่ใจความของศาสนาที่เขาจะต้องให้ความสําคัญให้ความสําคัญกว่าการให้ท่านรักษาศีลหรือการสวดมนต์ภาวนาการสวดมนต์ภาวนาในรูปแบบของทั้งโลกที่เขาเหตุการณ์เป็นการสวดมนต์ภาวนาแบบทอดเรลๆเพราะเป็นพิธีนะว่าไงสวดสรรเสริมพระเจ้าพรเป็นพิธี แต่การภาวนาโดยการเห็นความจริงของกายของตนเองว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเห็นอยู่สูมือสูมือมออันนี้สงยิ่งกว่าให้ใหท่านรักษาศีลภาวนาเถอแต่โมเมนว่าถิมท่านบมนเบมนว่าถิมศีลโมเมนว่าถิมขอปฏิบัติยังอืนในสิ่งเขาต้องเหตุในกิจทางศาสนาบมเดลถิมเหตุประกอบกันมาเรื่อยๆแต่ว่าให้หูว่าคุณค่าอันนี้สงแต่ละอันนี้จะท่งผลแบบใดบุญทรงผลเนี่เป็นไปในวัตจัภาวนาทรงผลนี่ออกจากวัตจัเนี่ย เขาจะต้องเข้าใจถ้าเขาอยากอยู่ในวัฏฏะอีกอีกต่อไปภาวนากับซอยให้าเขาอยู่ในวัฏฏะนี้ได้โดยที่บวหลงในวัฏฏะบวหลงโลกวันอทองไหมถึงแม้สิมาเกิดอีกในโลกก็บวหลงโลกละองค์ของการภาวนาหรือ ว, ว่าความรู้ที่เกิดจากการภาวนามันสิเป็นคุณสมบัติติดอยู่ในหัว ใ, ใ, ใจข อ, องเขาผ้าให้เขาไปสู่ภพที่ดีคติที่งามสถานที่ถี่บอมีความยากลําบากหลายยังหน่อยก็บพรต้องดิน้นร่นอยู่กับการแสวงหาที่หาความสุขบ้ได้ ในชีวิตขณะที่แสวงหากัทุกกันอยู่ไหมจมทุกจมยากันอยู่ว่าสั่งกลัวสิได้กลัวสิสําเร็จกลัวสิผ่านมากเป็นได้สมบัติทรัพย์สินต่างๆมากไว้พอบค้อมเป็นของเจ้าของผ่านทุกกันมากทั้งนั้นแหละแต่เงินก็เป็นความจริงแต่คนก็ยัยหลงคนว่าผุ้ที่จะว่าบ่หลงศาสนาไม่ไวเพื่อเตือนสติของเขาบ่เห็นมันหลงหลงยังเท่าหรหลงในสิ่งนี้เขากำลังแสวงหาอยู่มาเป็นความสูงของชีวิตเขาก็ต้องเกิดมาแสวงหาอย่างสี่อีก มันเป็นทุกข์จริงจริงอีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีบโบยุดบ่อเศ้าเจือเพื่อพอพุทธศาสนาเร่ยเตือนสติของเข้าเลยย้อนกลับมามองชีวิตของเข้าโอ้ยที่เขามันยุ่งมาอยากมาทุกข์มาลาบากอยู่นิดซูเมอร์นี่ก็ย้อนว่าพอเข้าบ่เข้าใจกายบ่เด็ภาว่น่าขืนมากบ่เข้าใจกายบ่เข้าใจใจเนี่ยเรื่องกายคือเป็นหาดซีดินหําไปลงเรื่องของใจหรือเรื่องของหน้าซีเวทนาขันสัญญาขันสังขันขันวิญญาณขันอันนี้คือเรื่องของใจ ้จะต้องเรียนรููเข้าใจการพิจารณาสีซอยให้ยจิตของเข้าเกิดความรู้ความฉลาดแน่ น, นอนว่าก้อนนี้เขาจะมาเรียนรููมาศึกษาในหลักการทำความสองคุเจ้าเขาก็เหตุตามพิ้นที่ทั้งโลกมากความรู้เขาก็กบบริเกิดขึ้นเมื่อเขามาเรียนรู้แล้วมันก็ได้เกิดความรู้ขึ้นมากความบรูกก้กระดับไปเมื่อความบรู้มันดับไปได้โดยการสั่งความรู้ขึ้นมาพกพวมันก็ต้องดับได้สิ่งต่างๆที่อยู่ในจิตของเขา้าที่มันเคยสั่งสมมักม่มอันธิบดีไว้มันก็ต้องถูกดับได้กัด้วยกัน สั่งความรู้ขึ้นมาเพราะว่ากิเลส ท, ทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับความบัลูุเมื่อบัลูุจึงเกิดกิเลสเมื่อรู้แล้วกิเลสจึงเก็ดมเกิดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมาสั่งความรู้ให้เับจิตพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเทศานาเอาไปแต่ทางเป็นการแสดงออกถึงความรู้เทศเขาไปแก้ไขความบัลลุในจิตบัลลุอันใดพระพุทธเจ้าสอนให้จิตรู้อันนั้นให้รู้ให้เข้าใจรู้ตามความเป็นจริงเข้าใจตามความเป็นจริงสอนไปแต่ละอันกันให้รู้ไปทีละอัน สอนเรื่องเซนผมก็ให้รู้เซนผมตามความเป็นจริงสอนขนเล็บฟันหนังเหนือยเอ็นกระดูกเยื่อนกระดูกบ้าหัวใจตับไตใส่พุ่งใส่เงยใส่น่อยโค้งกระดูกแต็มไปหมอยู่ในตัวเเข้าเพิ่นสอนทั้งมะได้เนี่ยที่พุทธเจ้าเพิ่นมานี่ทัมาอยู่ในตัวเขาบได้เนี่คำสอนที่พระพทศาสนาไปแต่คงพุทธการเพราพุทธเจ้าไปยังคนมาสอนเรื่องเซนผมคนเล็บฟันหนังเหนื่อมาสอนหนังเรื่อยยังีงอันนี้บอกทั้มะอันนี่แ้วะนี่โตเข้าเลยบ่ได้อยู่ตัผู้อื่นเนี่ ตัวพื้นก็เป็นของผู้อื่นอยู่ในตัวเขากับเป็นถ้ำมาแต่ถ้ำมาเนี่ยเขาสิสนใจบอ่เอเขาสิเข่าใจบอ่เอเขาสิศึกษาบอ่เอเขาสิเรียนรู้บ่อแต่เขาบเรียนรู้มันกับเป็นอารมแล้วเขาไม่มีถ้ำเลยหลงหลงตัวถ้ำว่าเป็นตัวตนว่าเป็นตัวเองเขามาเมาเอาเขามาคิดเอาเขามายึดถือเอ า, าทางที่เขาก็ามสามารถยึดถือได้ตลอดไปชีวิตเนี่ยยึดถือได้แค่ชัวข้าวชัวขังชัวข้าวนี่ละ่ะผู้ริจารณ์เลยเตือนสติของพวกเขาเนี่ยอย่าให้หลง โตลงพิจัยเปียงใจคือหลงพอองบรบลูสามความรู้เหตุขับใจลูกกายไห่ถูกต้องนเรื่องของไกยเมื่อลูกไก่ถูกต้องปุ๊บจิตมันเสียเทียงตรงต่อรักธรรมชาติเมื่อจิตมันเทียงตรงต่อรักธรรมชาติแล้วเอาความเทียงตรงของจิตเนี่ยคือสิ่งที่มันตั้งมันเนี่ยการตั้งมันให้การพิจารณากายพิจารณาใจอยู่ถูกมื่นสุเวทเนี่ยสี่ห่อเห็ดพิรนนอยในราเห็ดไปตามกําลังที่สามารถพิจารณาได้สั่งสมหเหตแบบสังสมเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะบอกไง เก็บไปเรื่อย ๆ, ๆเรยๆพราะมันจิตตั้งมันขึ้นมาลู่กายด้วยถาดของถาดแทบของกายตามพ่อไปจริงแล้วปั๊บตั้งมันปุ๊บขึ้นมาเวลาอารมณ์อารมณ์กระทบจิตเนี่ยความตั้งมันของใจในขณะที่เาพี่หน้ากายเนี่ยมันสีเห็นจิตเนี่ยเห็นอารมณ์ที่มากระทบเกิดกระทบเจ้าของแล้วก็ดับไปเนี่ยคือการฝึกฝนการที่เขาเห็นอารมณ์กระทบจิตเกิดดับได้เนี่ย มันสิเป็นส่วนฟุกจิตที่มันหลงงมง่ายอยู่กับอารมณ์ต่างๆนหน้านที่ห้องเขาใจว่าอารมณ์พวกนี้มันมีอยู่กับเขาอยู่ตลอดเวลาแท้จริงแล้วอารมณ์บดีนี้อยู่กับเขาตลอดเวลาหรือความรู้สึกต่างๆนี่นะสิเป็นสุขกระตามทุกกระตามโบสุบสบสกโบทุกก็ตามมันเป็นของเกิดขึ้นและกระดับไปแต่เนื่องเดี๋ย ว, ว่ามันเกิดดับมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับบอกไงว่า อาการที่มันเกิดแล้วก็ดับดับแล้วมันเกิดอีกเกิดอีกแล้วก็ดับไปอีกดับอีกแล้วคือเกิดอีกนี่แหละมันเหมือนกับว่ามันมีอยู่ตลอดแค่จริงแล้วมันบริมีอยู่ตลอดมันก็เกิดมันก็ดับแต่การที่ห้ามมีความรู้สึกว่ามันมีอยู่ตลอดเนี่ยพอห้ามบ่กเข่าใจเมื่อห้ามบ่กเข้าใจเขาก็เลยหลงหลงว่าอารมณ์บอกว่าสิเป็นความโกรธความโกรธความหลงที่มันมักดองอยู่ในสันดานของห้าเนี่ยหลงว่า มีโตมีต้นมีมีเป็นสิ่งที่มันฝังแน่นอยู่นี่ข้อจิตข้อใจโดยที่เขาศีลบรสามารถละมันไหนเขาเข้าใจว่าแบบนั้นแท้ที่จริงแล้วเขาละบอกไงว่าเขาบลละมันกัลละมันเรื่องกัละของมันเองจิตนี่ยนะบปกิเลสนี่นะเขาบลละมันกัลละของมันเองแต่การละไปของมันน่ะเป็นการละไปโดยธรรมชาติบนเม็นการละโดยที่เขาไปปฏิบัติต่อการละเป็นการละแบบธรรมชาติการละแบบธรรมชาติโดยที่เขาบลลู่มันกลายเป็นว่า การเหี่ยวบอลลูการละความมั่นโดยธรรมชาติมันเลยกลายเป็นหลงมาเลยเป็นการเป็นหลงผู้เจ้าเลยสอนประเด็นตรงนี้ให้เราได้เข้าใจว่ากิเลสม่นเลยมีอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันบันเลมีอยู่ตลอดเวลามันอาศัยเพียงแค่การนอนเนื่องคณะที่จิตกระทบกับอารมณ์มันสิเกิดยังเกิดความโกรธความเกลียดความเกลียดแข้นชิงช่างหรือเกิดความพอใจบวามพ่ใจความสุขความดีต่างๆนานาเกิดขึ้น อารมณ์สองขวัวทั้งขัวดีหรือขัวบดีขวัขวที่เป็นขางพ่อใจหรือขางบ่พ่อใจขัวที่เป็นขางความสุขหรือความทุกข์สองขานี่แหละมันพยายามหลอกหลอให้ใจข้าวหลงอยู่ว่าสันถ้าข้าวหลงไปไดขัวได้ขวดัขวหนึ่งก็ถือว่าติดอยู่กับอารมณ์เหมือนกับปลาที่ติดเบ็ดหรือว่านกติดตาคายออกจากมันกับอไดคล้องอยู่กับอารมณ์อยู่หนะันน่ะคุณว่าอยู่นิ้วจิตวิจัยทัดีเข้าใจว่าตอนที่มันมันดีนะแต่ดีปันคือจิ บ, บริบบีความทุกข์ในชีวิต เวลาทุกข์กับปานสีสิบ่มีความสุขหนินิชีบิดเขาก็หลงแต่อารมณ์อยู่หนิสอขั้วตลอดนาชีวิตแล้วก็มีอารมณ์สขั้วอยู่หนิวนเวียนนิกับชีบิตห้อไปตลอดจนหอดมือตายเขาหลงกระทําตอบต่ออารมณ์อยู่หนิพอห ย, ยุดพอเศร้าเขาก็เลยทุกข์อยู่ผู้ใหญ่เขาเรกว่ า, วาการฝึกจิตให้ตั้งมั่นโดยการพิจารณาไก่โดยความเป็นธาตุให้จิตตั้งมั่นแล้วปับ๊บเวลาอารมณ์ใดๆมากระทบมันสิเห็นอารมณ์ที่ถือกระทบเนะ่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ระกระดับไปได้จิตสิเห็นได้จิตทที่่่บบบสาาาาาามมมมมรรรรรถถเเห็นนออออกกิดดัไดืะแปวปวต พัวพันไปตามอารมณ์คลองอยู่กับอยู่อารมณ์เธออารมณ์ชักรากดึงไปอยู่จิตดวงนั้นเป็นจิตที่บ่ตั้งมัน่นบ่มีสมาธิบริเผานการพิจารณามากการพิจารณากายเพื่อเกิดจิตตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมัน่นสิริเห็นอารมณ์กระทบจิตเกิดดับได้เมื่อเห็นอารมณ์เกิดดับได้กสิสะไร้ความหลงทิศที่เคยยึดมันเพื่อมันในอารมณ์ว่ามีอยู่ตลอดเวลาได้ว่าอารมณ์พวกนี้เป็นแค่ของชัวรข้าวเมื่อมันเกิดอีกเข้ากัสิบ่หลงมันอีก การที่เขาลู่ว่ามันละมันดับได้โดยตัวเขามันเองการลู่โดยการปฏิบัติปออารมณ์ที่เขาสามารถกำหนดเห็นการเกิดดับได้เป็นการปฏิบัติภาวนาเพื่อทำไร้ความเห็นผิดทําไร้ข้อบัลลุ่นที่เป็นหลักเงาของความทุกที่เป็นการยึดมันทื่อมันเมื่อเขาทําลายความยึดมันทือมันได้ถึงเป็นตัวหลักเงาได้เนี่ยอารมณ์มันดับอยู่แล้วกิเลสมันก็เกิดดับอยู่แล้วตามอารมณ์เพือเปนของนอนเนื่องมากกิเลสกับทิมักดองสันดาลที่เขค่อยถือรับ ไปตามการลู่ของเขาการกำหนดลู่ที่ลู่การเกิดการดับโอ้กิเลสก็เกิดก็ดับเพื่อกันถ้าเขาบวลงไปตามอารมณ์เนี่กิเลสก็ที่นอเนื่องมากับอารมณ์มันก็เกิดก็ดับบ่คงอยู่บ่ได้อยู่ตลอดรวามโกรธเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันอยู่ใส่อะเย็นมันดับไปอยู่ใส่เนี่ยมันก็บริมีอยู่จริงว่าหมันเกิดอีกเมื่อต่อเมื่อถือกระทบอีกถือว่าวหรือถือกระทําในสิ่งที่มันเครื่องเรื่องความขัดเครื่องมันจึงเกิดเมื่อเบิดความขัดเครื่องแล้วมันกระดับ การเฝ้าเบื้งหรือเห็นอารมณ์เกิดดับเกิดดับเกิดดั บ, ดบเสี้ยมั้งสิทำลายความเห็นผิดในการยึดถืออารมณ์เพาสิบริ ย, ยึดถืออารมณ์เพาสิฝ่ายให้อารมณ์เป็นไปตามอารมณ์กระทบเกิดขึ้นลกระรับไปตามภาวะของมันบวกลงยึดบวกลงเป็นบวกลงทุกบวกลงซุกไปตามอาการที่มันมาสัมผัสจิตเกิดสิเป็นอุเบกขาเลยว่าเป็นกลางว่างเฉยบอบมุ่ง ไ, ไล่บปบแบบบอคิดไล่บอปรารถนาไล่บวกระทําสิ่งผิดบุรีต่อผู้อื่นเห็นไห มิต ร, ราพฐนะความสุขให้ถึงแก่ผู้อื่นนี่แหละจิตเป็นถ้ำ ม, มาว่าจิตมีถ้ำเขามาประกอบจากถ้ำที่เป็นรูปป่าถ้กับหน้ามาถ้ำในใกายในใจของห่อถี่ห่อบ่เคยรูมันเมื่อห่อบรรูแล้วบ้านเกษตรกรกเป็นองค์ถ้ำเป็นเนื้อถ้ำเป็นสาระธร้ำศึกษาถ้ำคําสอนผู้เจ้ากัเป็นการศึกษาโดยการในศึกษาในใกายในใจิตในใจนี่คือสาระบ่มเม็นใบล้านเปล่า เ, าเกิดเป็นคนกับบ่เป็นขนเปล่าเปาได้บางตายก็ตายไ ป, ปเปล่าเปล่าเปลถิ่มตายเนา่าตายเหม็นถิ่มไปซื่อี่ บ่ได้มีความสาระสําคัญในการเกิดขึ้นมาแล้วบูหุจักค้นหาคําตอบของชีวิตว่าชีวิตคืออย่างเมื่อเขาบูหุจักไม่รับข้อศาสนารือพระเจ้าท่งสอนไว้มันกับบ่ได้ตายทีมตายเน่าตายมันคื่อหลกทั้งหลายเขาตายมาไหมตายก็มีประโยชน์เช่นพระพุทธเจ้าพรนปณิพัฒน์พระตายไปแล้วมีประโยชน์เล้หรือเมือนบ่มีเนี่ยพระเนียสงสารบ่คนตายมิตรประโยชน์คู่บาอาจารย์เมื่อตายมิตรประโยชน์นี่ยมิตรซาระสําคัญ ผู้ตายไม่เห็นผู้ใดบอกถึงวันไหนผูบาดเจียนตายเพระผู้ใเจ้าอะไรเจ้าผู้คนเข้าถึงถ้ำ เ, เ, เ, เข้าถึงถง้ำหรือเข้าไปถึงเห็นเข้าไปถึงความจริงของกายของใจนี่ล่ะเข้าถึงถ้ำไม่ได้ไปเข้าถึงอยงอื่นหอกความจริงประจักษ์ชัดกายเป็นเท่าธาตุบินนาไฟล่มประจักษ์ชัดเจนบวกลงผิษบวยึดถือพิษบว า, าใจเป็นอย่างอื่นน้ำคืออาการที่เกิดขึ้นกระทบกับใจเกิดระกระดับเกิดระกระดับผ่านไปอารมก์เดืานไป ที่นอเ น, นื่องมา้งครับอารมขึ้นกิ่เดตต่างหลายทั้งฝูงกับพานไ ป, ไปเกิดระกรับไปเกิดแล้วกรับไปบอสามารถที่จะทรงขผลไงพวกเฮาไปเกิดอยู่ในวัตตะเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดแล้วเกิดเล่าหาที่สิน้นสุดบ่ได้บ่มีนี่แหละพเพื่อเลยสอนให้พวกเฮาได้เข้าใจชีวิตของกัวเฮาเข้าใจแน่บอกเข้าใจแน่กับพยายามฝึกฝนปฏิบัติโลดบนโมเมนว่าสิได้ผลเลทีเดียวหรอกแต่แน่นอนว่ามันต้องได้ผลมือใดมือหนึ่ง บริษตทนี้มันก็ต้องไบริษัทนาบริษัทนาก็ต้องได้ษาทต่อต่อไปความรูน้นี่ถ้าได้เซ็ตได้สร้างไปแล้วมันสืบต่ออยู่กับใจเข้าไปตลอดหอกบอดับไปไซส์มันสืบต่อไปเลยควาพบความสะอาดพุ่นนี่คือความรู้มันบ่เคย อ, อย่างอื่นเนี่ยความรู้มันติดอยู่กับใจยี้เนี่ยมันเสียในห้องบนหลงอีกให้พบนาชาัดนาชาติก่อนมากห้หลงมาเขาเลยบ่มีพื้นฐานเก่าๆมากมันเทเลยเห็นให้องบนหลุรูดง่ายๆมันก็เลยรูไดง่าย ก็บินยังมาลบตัวเอาศาสตร์นี่ฟึกผลเรียนรู้เจ้าของไปนี่ต้องได้หมากม่วงถิ่มไป้ซื้อมันก็นยังเกิดอยู่แม่มหาจะไปเบิ้งมันก็ยังเกิดหรือพ่อสีเกิดได้เทาหัวกันกอ้กกกเทศไปโหลดเพราะว่าหน้าไปยังหน่อยก็ท่องถาดไปซะก่อนปลูกฝังโอ่งทำทางด้านความทรงจำํำทำที่โบ้ส่งสอนใหม่ปลูกฝังทางด้านความทรงจำเนี่ไปก่อนเมือ่อทรงจําได้แล้วพี่ยัละหน้าแยกเป็นถาดซีดินยยนําไฟรวมพี่หน้าแล้ว ให้จิตตั้งมันไป네พี่น่าย่ำย่ำจนจิตตั้งมันตั้งมันเพื่อจิตสิบปค่นแคนไปตามอารมณ์เมื่อตั้งมันแล้วพบอึศรอารมณ์ใดมากระทบมันก็เฝ้าเบิงอารมณ์ที่กระทบเกินดับเกินดับเกินดับโดยที่ปลงอารมณ์ในนี่คือม้วนเหตุที่จะเห็นให้เห่าเกิดการเขาไปทํำไรอาสวาคิเลสเขาถึงความเป็นโสดาบันสกัดฮาคามีอนาคามีอรหันในศาสนานี่นี่แหละคือหลักปฏิบัติหรือหลักการภาวนาถ้าภาวนานอกเหนือจากความเป็นยังสี่นี่มันโมเมนการภาวนาเดียว ไปปฏิบัติถ้ำเพราวาหน้าแบบสวดมนต์ถำวัดสวดมนต์ขา ม, มือขำขึ้นกนนั่ น, น, น, น, น, น, นเพเเราะแม่นดอกกันน่ะนเฮตผิษผู้ถือควรจะเอาบื่เคย้ผ้าสอนเฮตแบบนั้นควรมิได้สอนแห่งพิจารณาเพลงพินิจยาประมาทเป็นมาการปล่อยให้ขณะเวลาล่วงไปล่วงไปโดยบู้ได้สั่งสาระให้ประโยชน์กับ ช, ชีวิตเจ้าของเป็นการประมาทนะประมาทแปลว่าอะไรประมาทแปลว่าเลินเล่อเล่นเล่อคือบ่ใส่บ่เรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าของบัทาโทษมันเกิดขึ้นระบาดนี้ ผล้องเกิดขึ้นบพราะต้องการจกคนแล้วบ้างเมื่อชีวิตตกไปสู่กำเนิดเปรตผีปีศาจสุรกายสัตว์เลเชียนต้องการบ้างเพระต้องการตายไปแล้วอยากไปทุกไปอยาคืา่มั้ยมั้ยพยายามอยากทุกอยากหย า, าเป็นมนุษย์กับถูกหยาเพระแห้งแล้วตายไปแล้วสิไม่ถูกไปหยาพยายไมจะไปทุกไปหยาอีกอยากได้ดีกันสุขคนอยากได้ดีก็กต้องเฮ็ดตามหลักคำสอนตามหลักที่ระว ง, ง์ส่งว่างแบบวิธีไปมันยังถูกต้องอันทูริโยบด้ว่างแบบวิธีไป สาระออกไม่ต้องไปใส่ใจมาไหมมือมีสาระขึ้นตอมเขามาหาสุดท้ายแล้วอยุ่งแค่กายก็ใจของเห่าเนี่ยสีเหาจะมีรูหรือบอรูมั่นจะรูหรือบอรูสีรูหรือสีหลงจะไปคิดว่าโลกนี้มันช่มีความสุขความสุขนะ่ยมีอยู่แต่ว่ามีอยู่ตลอดนี่อยู่แค่ชั่วรข้าวแต่ทุกเนะ่ยมีสิว่าตลอดก็ได้เพราะว่าเขาบริสั่งมันขึ้นมาเลยทุกเนะ่ย ม, มีมาเองแต่สุขเขาต้องสร้าง สามมัน ก, ก็บเบิดไปสามมัน ก, ก็บเบิดไปรักน้ำใส่ทั้งหัวอยู่หันมันหนาเบื่อนเด้มันมันหนาเบื่อในก็ต้องพินิพีชนะยิงสี่อยู่เรื่อยๆร่างกายอย่าหลงไปตามอาการห้องไกลเจ็บปวดไปได้ก็อย่าหลงไปตามอาการห้องไกลใจทุกข์ไปได้ก็อย่าหลงอย่าลงไปตามอาการห้อง ใ, ใจไสิทุกข์ไไดก็อย่ า, ยาไปหลงพินิพีนานะไปอยเรื่อยๆมั น, นเป็นการถอดถอนความเห็นผิดความลงผิดการหยิบมันชื้มัน บ่อยให้ทุกไปตามชีวิตที่มันมีความทุกข์สิ่งที่มันมีความทุกข์ก็ให้ทุกข์ไปตามภาวะธรรมชาติเหตุปัจจัยของมันแต่ให้สีบะทุกข์เพิ่มจากความทุกข์เดิมที่มันมีอยู่นี่แหละคือปัญญาในขามพระพุทธศาสนาสามารถดับทุกข์ได้โดยตนเองบ่ต้องไปให้ผู้อื่นดับทุกข์ให้ดับเพื่จของเองไงละ่ะถึงความสงบได้ถึงความเราเขาถึงธรรมชาติอันเป็นที่สบายข้องใจใจมันสิสบายจังไดย กรสีดูชัดภายในเจ้าของมันสิสมิสมบพยังไงก็สิรูชัดภายในเจ้าของมันบ่มีทุกแบบใดก็สิดูมันรู่ว่าบ่มีทุกขาคักมันบ่มีกับบ่มีอีหลีเดี๋ยมันบ่มีย่ามันมีก็มีมีทุกขาคักเพียงอย่างนี้ตอนที่บริมาลรู้นะตอนที่บอไดเกิดความรู้น่ะโอ้ยทุกจนสิเป็นสิตายทุกเอาอีหลีทุกจนอยากค้องอยากให้บัดย่ามันรู้แล้วให้ทุกไปได้มันกับบ่ทุกไปทุกแม้ับเรื่องนั้นลูงนี่บ่ทุก ฉลาดมันรู้แล้วแม่รูแ้ลแล้วมันจะไปทุกข์จังไงเนาะนี่แหละพุทธะผูร้รู้พุทธเจ้าพสอนไว้ว่าให้ทุกข์หรือทุกข์เกิดถึงกันดับทุกข์ได้โดยตัวเองสาระสำคัญอยู่นี้ขอปฏิบัติพูนสอนมา ก, ากต้องกร่อำกรพืตามสืบทอดศาสนาโดยการกพือปฏิบัติให้ชีวิตของ้ตัว ข, ขาเองเอาละอธิบายธรรมะกหเห็นว่าพอสมควนแกเวลาเอวัง ไปเบิด์อะได้ยังมองบอรได้ไชมันบางไปแล้ว <c oughs> หน้าัวข้าวซูเปอรปีก <c oughs> <c oughs>